ตอนที่32โศกนาฏกรรมฆ่าล้างตระกูลหวังเฟยยังคงบน่นพึมพำกับตัวเองไม่หยุดในเมื่านางกล้าดูหมิ่นชิงจือของพวกเราถึงเพียงนี้ชิงจือก็จงทนรับไว้เถิดข้าไม่มีวันให้โอกาสนางได้สมใจหรอกเซินเออเจ้ากะอีกคนพอมาถึงก็เอาแต่ตำหนิว่าชิงจือก่อเรื่องอีกแล้วหรือทั้งยังเอาแต่เข้าข้างคนนอกหลินเซิร์นขัดจังหวะหวัาวางเฟยทันควันเมื่อครู่นางมาที่นี่หรือเสี้ยชิงจือเงยหน้าขึ้นเห็นประกายวาววับในดวงตาของเขาได้อย่างชัดเจน ความเกรยียดชังผุดขึ้นในดวงตาที่แดงกัานางลอบกําผ้าเช็ดหน้าในมือแน่นหวังเฟย์ไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งข้าให้จงป๋อเล่นานางไปแล้วซึ่งคำนั้นหลินเซินก็หมุนตัวเดินออกจากประตูเรือนไปทันทีหวังเฟยโรกรธจนหน้าดำหน้าแดงเด็กคนนี้จริงๆเลยเหตุใดถึงได้ร้ายมารายาชเช่นนี้เมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าถูกนางหนูตระกูลเยี่นนั่นพาเสียคนไปแล้วหรือเปล่า เมื่อได้ยินเสียงบ่นของหวางเฟยผ้าเช็ดหน้าในมือของเซียชิงจือก็ยิ่งถูกกำแน่นขึ้นนางแค้นนักนางไม่ยินยอมนางทุ่มเทให้พี่เซินมาตั้งหลายปีเยี่ยเยว์ที่เป็นนางปีศาจจิ้งจอกน่านมีสิทธ์อะไรถึงได้พระเขาไปอย่างง่ายดายเช่นนี้พี่เซินเป็นของนางเซียชิงจือผู้นี้นางจะไม่มีวันยอมให้เยี่ยเยว์ใช้มารยาจิ้งจอกมาล่อลวงและแย่งชิงเขาไปเด็ดขาดในเมื่อเยี่ยเยาว์ตั้งใจมาหาเรื่องนางและไม่คิดจะปล่อยนางไปเช่นนั้นก็อย่าหาว่านางไม่เกรงใจก็แล้วกัน หลินเซินมุ่งตรงไปยังประตูใหญ่เมื่อเห็นพ่อบ้านจงป๋ออยู่ไกลๆเขาก็ปรีเข้าไปควักคอเสื้ออีกฝ่ายไว้แล้วตวาดเสียงกร้าวข้าจะถามเจ้าอีกครั้งเมื่อครู่นี้ใครมาที่นี่จงป๋อเป็นคนมีไหวพริบคาดว่าหลินเซินคงรู้เรื่องที่เย่ ย, ยามาหาแล้วคือแม่นางประกูลเยี่ยมาขอพบขอรับแต่วางเฟยกับคุณหนูชิงจือไม่ต้องการพบนางจึงสั่งให้ไล่นางไปบ่าวเกรงว่าซื้อจือจะขัดแย้งกับวางเฟยและคุณหนูชิงจือพระนางก็เลยไม่ได้ ลินเซินครันจะฟังเขาพูดต่อนางไปทางไหนจงป๋อชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆชี้มือไปอยังทิศทางตรงกันข้ามทางนั้นขอรับลินเซินผลักเขาออกไปแล้วรีบวิ่งออกจากประตูใหญ่ไปอย่างรวดเร็วจงป๋อมองตามแผ่นหลังที่ไกลออกไปก่อนจะหมุนตัวกลับไปรายงานหวังเฟยหวังเฟยพยักหน้าโบกมือให้เขาถอยออกไปแล้วจึงหันมาปลอบโยนเสี้ยชิงจือชิงจือจะวางใจเถิดไม่ว่าอย่างไรท่านนะ้าก็อยู่ข้างเจ้าเสมอ เดิมทีข้าคิดว่าหากเยี่ยยาวสามารถแต่งเข้าจวนอองได้อย่างสงบสงเสงี่ยมต่อไปให้เซินเอ๋อตั้งเจ้าเป็นชายารองก็พอจะอยู่ร่วมกันได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนนางจะไม่ใช่คนสงบสงเสงี่ยมเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ตำแหน่งซื่อจื้อเฟยนางก็ไม่ต้องเป็นมาแล้วให้ทางจวนกัวกงเป็นฝ่ายเอ่ยปากถอนมันเองจะดีที่สุดหากฝ่าบาทจะทรงกลี้วก็ให้ทรงเกลี้วยทางจวนกัวกงเถิดหวังเฟยลูผมเสี้ยชิงจือเบาๆพร้อมรอยยิ้มวางใจเถิดมีท่านนาะอยู่ทั้งคนข้าจะช่วยเจ้าแน่นอน เสี้ยชิงจือจึงค่อยๆเช็ดน้ําตาโชคดีที่มีท่านนาอยู่หากเย่เ ย, ยารู้ว่าพวกนางกำลังวางแผนขัดขวางไม่ให้นางแต่งกับหลินเซินเย่เ ย, ยาคงจะหัวเราะจนตื่นจากฝันเป็นแน่ทวายามนี้เย่เ ย, ยายังคงอยู่บนทางปรับจวนก๋วกงนานๆที่จะได้ออกมาข้างนอกช่วงนี้เพราะเรื่องสายลับและมือสังหารทําให้นางต้องอุดอู้อยู่แต่ในจวนมาพักใหญ่นางจึงไม่รีบร้อนกลับล่าสาวใช้ทั้งสองเดินเที่ยวเล่นไปทั่ว น่าสงสารหลินเซินที่ไปผิดทางเขาเฝ้าตามหายอย่างยากลําบากตลอดทางแต่กลับไม่เห็นแม้แต่งเงาของเยี่เ ย, ยาเหล่าสายลับและมือสังหารที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าหาเป่ยังไปไม่ไกลนักเมื่อเห็นเย่เ ย, ยาลากสาวใช้ทั้งสองเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าพวกเขาก็สังเกตเห็นอีกครั้งหัวหน้ากระซิบสั่งการลูกน้องสองคนทั้งสองรีบผ่าจากไปทันทีข้างกายเขายังเหลือลูกน้องอีกสองคนคอยแอบซุ่มมองอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนหัวหน้าจ้องมองเย่เ ย, ยาขม็งราวกับกําลังนึกถึงบางอย่าง ลูกน้องสองคนที่จากไปไม่นานก็กลับมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหัวหน้าท่านเดาไม่ผิดเลยสิ้น อ, องไม่มีบุตรสาวคุณหนูแห่งจวนสิ้น อ, องผู้นั้นแท้จริงแล้วคือบุตรสาวของเสนาบาดีกรมกลาโหมเมื่อสิบปีก่อนขอระลูกน้องอีกสองคนถึงกับตกตะลึงเสนาบาดีกรมกลาโหมที่ถูกหัวหน้านําคนไปฆ่าล้างประกูลเมื่อสิบปีก่อนนะหรือบ้านนั้นยังมีบุตรสาวรอดชีวิตมาได้อีกหรือนี่แถมยังถูกสิ้นอองรับไปเลี้ยงดูคนในจวนสิ้น อ, องต่างก็รักใคร่เอ็นดูนางมาก เช่นนั้นหัวหน้าเรื่องในตอนนั้นนางจะรู้อะไรบ้างหรือไม่ลูกน้องพากันหันไปมองหัวหน้าแต่หัวหน้ายังคงจ้องมองเอาร่างของเยี่ยยรากกบยังคงสงสัยในบางสิ่งครูต่อมาเขาจึงลูกคลังแล้วเอ่ยขึ้นตอนนั้นสายรับใต้บังคับบัญชาของสองพ่อลูกตระกูลเยี่ยสืบรู้รายงานรับทางการทหารที่สาคัญของพวกราชาวตันตีและส่งกลับมายังเมืองหลวง ข้านําคนเล่ล่าสังหารมาตลอดทางแต่เขาก็ยังหาช่องโหว่ส่งรายงานรับทางการทหารนั้นให้แก่หูหญินเสนาบดีกรมกลาโหมในตอนนั้นจนได้ช่างประจบเหมาะหูหญินเสนาบดีกรมกลาโหมผู้นั้นเป็นถึงบุตรสาวของเจ้าสํานักเทียนฟูแห่งดุษถบวันนั้นตรงกับเทศกาลโคมไฟพอดีนางพาลูกสาวกลับมาจากบ้านเดิมจึงได้พบกับสายลับผู้นั้นระหว่างทางก่อนตายสายลับได้เขียนจดหมายรับลงบนผ้าชัดหน้าแล้วมอบให้นาง นางจึงซ่อนผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นไว้ในกล่องผ้าไหมพร้อมกับดอกไม้ประดับมุกหัวหน้าขมวดคิ้วพลางนึกย้อนกลับไปอย่างละเอียดวันนั้นดูเหมือนจะเป็นวันเกิดของใครบางคนในจวนกัวกงหูหยินเสนาบดีจึงคิดจะใช้ข้ออ้างในการส่งของขวัญเพื่อส่งจดหมายรับนั้นให้แก่จวนกัวกงดอกไม้ประดับมุกคือของขวัญแต่บุตรสาวของหูหยินเสนาบดีกลับชอบดอกไม้ประดับมุกนั้นมากจึงแอบขโมยมันไปหัวหน้าเค้นเสียงหัวร้อยเย็นชา ต้องขอบคุณนางดอกไม้ประดับมุกนั้นถูกห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นนางจึงขโมยผ้าเช็ดหน้าติดมือไปด้วยนางเล่นโคมไฟแล้วทําดอกไม้ประดับมุกล่นออกมาค่าถึงได้พบข้อตอนนั้นค่าไม่คิดเลยว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆจะมีเล่เหลี่ยมเพียงนี้แม้ตอนนั้นแม่ของนางจะไม่ได้อยู่ข้างกายแต่เพื่อกําจัดหลักฐานในภายหลังนางถึงกับใจเด็ดโยนดอกไม้ประดับมุกทิ้งลงแม่นม้ําโชคดีที่ผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นตกอยู่บนฝั่งค่าจึงเก็บกลับมาทําลายได้ เดิมทีข้าตั้งใจจะฆ่าเด็กนั่นเพื่อปิดปากแต่แม่ของนางตา ม, มาทันเสียก่อนทั้งยังเรียกกองทหารองครักษ์ที่ลาดตะเวนอยู่มาด้วยตอนนั้นข้าทำได้เพียงทำให้ฮูหยินเสนาบดีบาดเจ็บสาหาัสและเพื่อฆ่าปิดปากข้าจึงต้องนำคนไปฆ่าล้างตระกูลเสนาบดีกรมกลาโหมในภายหลังนึกไม่ถึงเลยว่านางเด็กนี่จะดวงแข็งเพียงนี้หากไม่ได้กลับมาที่เมืองหลวงของราชวงศ์จิ้งอีกครั้งคงไม่มีทางรู้เลยว่านางยังไม่ตายลูกน้อง เช่นนั้นหัวหน้ารายงานรับทางการทหารในตอนนั้นนางจะยังรู้อะไรอีกหรือไม่หัวหน้าครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าคงไม่หลอกหากนางรู้อะไรจริงๆหลายปีมานี้คงพูดออกไปนานแล้วราชวงศ์จิ้งอันเองก็คงไม่หยุดเคลื่อนไหวเพียงแค่ขับไล่พวกเราออกจากเมืองชายแดนเท่านั้นลูกน้องตอนนั้นเด็กนี่อายุยังน้อยเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะตกใจสุดขีดจนลืมเลือนไปชั่วขณะลูกน้องอีกคนใช่หากถูกกระตุ้นจนานางนึกอะไรขึ้นมาได้ พวกเราคงเสี่ยงต่อภัยพิบัติสิ้นชาติได้ทุกเมื่อตอนนั้นพ่อแม่ของนางซ่อนนางไว้จนรอดชีวิตมาได้ไม่แน่อาจจะทิ้งเบาแสอะไรไว้ที่ตัวนางก็ได้เพราะอย่างไรเสียตอนนั้นฮูหยินเสนาบดีต้องได้อ่านจดหมายรับนั้นแล้วแน่นอนเพียงแต่ถูกหัวหน้าทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสจึงไม่ทันได้บอกออกมาไม่ว่าข้อสันนิษฐานจะเป็นจริงหรือเ ท, ท็จหัวหน้าแม่นางคนนี้เก็บไว้ไม่ได้เหล่าลูกน้องมีความเห็นตรงกันหัวหน้าเองก็เห็นพ้องด้วยเขาค่อยๆพยักหน้า พวกเจ้าพูดถูกไม่ว่านางจะรู้อะไรหรือไม่การฆ่านางทิ้งเสียคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเพียงแต่ยามนี้เมืองหลวงมีการป้องกันอย่างแน่นหนาะหากพวกเราลงมือเกรงว่าจะทำให้ร่องรอยถูกเปิดเผยเหล่าลูกน้องแต่ละคนต่างก็ไม่เกรงกลัวต่อความตาย